คอยฟังจากครูบาอาจารย์เทศแนะนำสั่งสอนอย่างเดียวไม่ทันกับเหตุการณ์ที่เป็นไปอยู่ภายในตัวเองอเฉพาะอย่างยิ่งภายในยจิตการมารวมกันเป็นจำนวนมากจ่อมทำให้อืดอาดหน่วยนายล่าช้าในาจิตต่างๆ แล้วก็เข้าไปสู่ใจทำให้ไม่สะดวกในการประกอบความภาพเพียรเพราะความเกี่ยวเนื่องกันกับหมู่กับคณะฉะนั้นการ ส, ะสร่ะแสแงหาที่วิเวศยิงเป็นความเหมาะสมอย่างยิง่ยงมันจะไม่ต้องกังวลวุ่นวายกับสิ่งใดผู้ใด มีความรู้สึกตัวอยู่เป็นจำนวนมากกว่าการอยู่กับหมู่กับคณะรวมคั น, นหลายองค์หนึ่งส่วนมากมักแต่มีความเผลอความไม่มีสติประจำตนนีผิดกับหลักการแก้การชำระกิเลสซึ่งจำต้องอาศัยสติปัญญาเป็นสำคัญ แล้วหมู่เพื่อนก็มาอยู่เรื่อยๆการให้อุวาต ส, สั่งสอนก็นสั่งสอนด้วยมานับแต่มาเกี่ยวข้องขบวงคณะเป็นเวลาร่วมสามสิบปีเขานี้แล้วรู้สึกว่าเป็นภาระหนักมากอยู่ไม่น้อยสำหรับผู้เป็นหัวหน้าอามาตั้งติดตั้งใ จ, จคิดปฏิบัติจริงๆสิ่งที่ควรจะได้เป็นคติเครื่องเตือนใจตนนั้น สัมผัสสัมพันธ์อยู่เสมอกับครูกับอาจารย์กับหมู่กับคณะนอกจากเราไม่เป็นคนจิงจังเสียเท่านั้น <c oughs> ฉะนั้นทุกทุกท่านที่มาศึกษาอบรมอย่าดูที่ไหนมากยิ่งกว่าดูใจคือความเคลื่อนไหวข้องตนแม้การศึกษาจากทางหูทางตาก็เพื่อเข้าไปสู่ใจ ให้ได้เป็นคติตัวอย่างอันดีถ้านำออกปาคุยปฏิบัติด้วยความราบรื่นดีงามใจเป็นสิ่งที่รักษายากมากยิ่งกว่าสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะรักษาเยียวยาหรือแก้ไขฝึกฝนทรมานให้ได้ยากยิ่งกว่าใจ เพราะใจเป็นโรคเรื้อรังมานานจนเจ้าของเองก็ไม่สามารถจะทราบเลยว่าเรื้อรังมาตั้งแต่เมื่อไหร่จนถึงชาติปัจจุบันนี้เรายังไม่ทราบมันมาจากอะไรมานานเท่าไหร่เกิดตายมากี่ภพกี่ชาติทิ่งไม่อาจที่จะ มานับมาอ่านมาแข่งขันซึ่งกันและกันได้ในเรื่องความเกิดแก่จิตตายความทุกข์ความลำบากของแต่ละหลายลหลายนี่เพราะความโรคเรื้อรังของจิตตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้อย่างตายตัวและถูกต้องแม่นยำไม่มีค่าเลื่อแม้แต่น้อยว่าอวิชชาปฏิยาสร้างขาราสร้างขาราปฏิยาวิญญาหัเป็นต้น เราจะไปหาอาวิชชาที่ไหนถ้าไม่ดูที่ใจจะไม่เห็นไม่เจออวิชชาเลยความโง่เง่าเต่าตุ่นไม่ใช่อะไรโง่ตาก็ไม่ได้โง่หูไม่ได้โง่จมูกริมกายไม่ได้เป็นผู้โง่ผู้ฉลาดแต่ผู้ที่โง่ก็คือใจหากใจไม่ฝันลบลอบรมตนเพื่อความฉลาดแล้วจะหาความฉลาด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 ความรู้อันแท้จริงนั้นคืออะไรเพราะมันเจือปนกันกับโรคโรคกับกิจ ด, ด้กลายเป็นอันเดียวกันคือกิเลสกับกิจเป็นอันเดียวกันนี่แหละโรคอันนี้แหละเชื้ออันนี้แหละที่พาให้สัดโรคเกิดแก่เจ็บตายด้วยมาเนี้ย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 มันจมอยู่ด้วยกันเช่นนั้นจึงเป็นความลำบากนี่เราได้ก้าวเข้ามาสู่เพศอันเหมาะสมและหน้าที่การงานอันถูกต้องแล้วในการที่จะเปิดเผยสิ่งที่ลี้ลับปิดบังหรือหุ้มหอ่อจิตใจนี้ให้ออกเขียนตามความจริงของมันโดยลำดับลาดาเราเป็นผู้เหมาะสมแล้วไม่มีใครเหมาะสมยิ่งกว่าเรา หากไม่ถือโอกาสแห่งความเหมาะสมเหมาะสมของตนนี้ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ได้มรกได้ผลให้รู้ต้นรู้ปลายของความจริงและความปลอมทั้งหลายซึ่งรวมอยู่ภายในใจนี้แล้วก็หาโอกาสไม่ได้เพราะคำว่ามืดกับแจ้งนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิม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 <c oughs> ใจกับโรคนี้จึงเป็นเหมือนอันเดียวกันมอง ด, ดูโรคอันนี้กับมองดูใจในความรู้สึกของเราทั่ ว, วไปนั้นจะเห็นว่าเป็นอันเดียวกันเพราะไม่มีสิ่งที่เหนือกว่านั้นไปแยกแยะและไม่มีความรู้เหนือกว่านั้นที่จะพอทราบได้ว่าสิ่งใดเป็นจิตสิ่งใดเป็นโรคแทรกหรือเป็น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 ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นสาทางแห่งโรคเรื้อรังนี้ก้าวออกเดินเพื่อสาะแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งก็คือโทษนั่นแหละเข้ามาทับถมจิตใจของเราให้หนาแน่นไปโดยลาดับยึงหาทางที่จะทราบและแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้ยากเพราะมันปิด ครอบไปหมดทั้งภายนอกภายในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เป็นทางเดินของโรคอันนี้รูปเสียงเสียงรถเครื่องสัมผัสก็เพื่อจะประมวลเข้ามาสู่ความหลงอันเดียวกันนี้เจอเข้าที่ไหนก็ต้องหลงที่นั้นสัมผัสสัมพันธ์ไม่ว่าใกล้ว่าไกล รูปเสียงกิรนกเครื่องสัมผัสทั้งๆ ท, ที่สิ่งเหล่านั้นเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองอยู่โดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่ใดเลยแต่จิต ด, ดวงนี้ซึ่งเต็มไปด้วยของจอมปลอมจึงต้องไปเสกสรรปั้นยอสิ่งนั้นว่าเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็เมาอารมณ์แห่งความเสกสรร์ปั้นยอหรือความปรุงแต่งแห่งความจำปลอมของตนนั่นแหละเข้ามาหลอกลวงตนเองให้ลุ่มหลง หนาแน่นเข้าไปโดยลำดับไม่มีเวลาจุดจากหากว่าเรา ม, มีความเคลืนหลาบเหมือนอย่างสิ่งทั่วไปซึ่งเราเคยพบเคยเห็นแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่น่าจะครองหัวใจเราอย่างหนาแน่นดังที่เป็นอยู่นี้มานานและไปนานเท่าไหร่เลยจะต้องมีการดูดลอยออกจนได้ด้วยการฉลัดปัดทิ้งเพราะ ความเห็นโทษของเรานี่แม้แต่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกตามความความจัดความจริงโดยไม่ผิดไม่พลาดจิตใจมันยังทะเ ล, ะทะลาไหลยังไม่ยอมรับความจริงนี้ได้เพราะอะไรก็เพราะกาลังของสิ่งจอมปลอมนั้นมันคอยผลักคอยใสจากความจริงให้สู่ความจอมปลอมเพรามันอยู่เสมอนั่นแหละผู้ปฏิบัติ ยังไม่ค่อยได้เหตุได้ผลได้ถอยได้ความในความจริงทั้งหลายซึ่งมีเต็มตัวอยู่ภายในตัวของในกายในใจของเหล่านี้เพราะเหตุนี้เพราะอํานาจของสิ่งนั้นมันมีมากกว่าจึงต้องอาศัยกําลังความเพียรฟาฝืนอดทนหนักก็เอาไม่ถอยสู้ไม่ถอย เพเชื่อในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสวกขาตาธรรมรักไม่ชอบแล้วชอบแล้วในส่วนกิเลสมันบอกไว้ที่ตรงไหนว่ามันมันมันบอกว่าชอบแล้วสอนไม่ชอบแล้วทําไมพวกเราจึงไปเชื่อมันเอานักหนาถึงเราจะไม่ว่ากิเลสลา่าคาตันหาแทนังคฉามีข้อตามเถิด มันก็คือสันังคัจฉามิอยู่ทุกๆขณะของจิตที่เคลื่อนไหวออกมาด้วยความไม่มีสติไม่มีปัญญาพิจิพิจนาแต่ดองบ้างเลยนั่นแหละคำาว่าพุทธังธรรมัาางสังฆังสันังคัจฉามิหรือที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไม่ชอบแล้วนี้มันเป็นแต่เพียงผิวเผินไม่ได้เข้าถึงความจริงความสวขาธรรมนันเลยหากว่าจิตใจได้อย่างเข้าถึงสวขาธรรม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 ยะตะเววเสสะิดากิโรธาสัางขารานิโรโทเมื่อวิชาดับนั้นดับสังขารดับวิญญาณดับเลื่อยไปจนกระทั่งนิโรโทโหติดับสนิทไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนี่คือความจริงเข้าถึงแล้วคำมัสวขารธรรมที่ตราบได้ชอบแล้วนี้ก็ชอบออกมาจากพระไทัยของผุ้ยาำที่บริสุทธิ์ซึ่งรู้แจ้งความจริงทั้งหลายแล้วเต็มพระทยนั่นแหละ นำออกมาสอนจะผิดเพี้ยนไปที่ตรงไหนเราผู้มาปฏิบัติธรรมทำไมจึงไม่ฟังให้ถึงใจพิจนาให้ถึงใจกิเลสะนัง้าฉาไม่ไม่ต้องออกปากแต่มันกลืนเรามันขบเคี้ยวเราอยู่ภายในใจของเราตลอดเวลาหากกาเป็นวัตถุต่างๆแล้วเป็นผุยผงไปหมดเพราะถูกเคี้ยวถูกตื่นเคี้ยวแล้วตื่นเล่าคืนกลับไปกลับมาเคี้ยวกลับไปกลับมาแหลกละเอียดเป็นผุยผงไปหมด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 ถ้าสติปัญญาของเราไม่ทันก็จะต้องกลืนความทุกข์ความลาบากด้วยความเกิดแก่เก็บตายหมุนเวียนกันไปทํานองนี้ได้หรอกกลับตลอดกันไม่มีคำว่าต้นทางปลายทางได้เลยเหมือนมดแดงตาตขอบดงนั่นแหละไตไปตายมาอยู่ที่ขอบดงเข้าใจว่าเป็นใหม่มาเลื่อยแล้วายมาขอบดงอันเก่านั่นแหละหมุนไปเวียนมา จิตที่หมุนไปด้วยอำนาจแห่งวัฏจักรซึ่งฝังอยู่ภายในวัฏจิตนี้ก็หมุนอย่างนั้นเหมือนกันเราอยากทราบอาคูดลงไปสมาธิทำให้ถึงใจทำไมจิตจะสงบไม่ได้ธรรมโอสถมีอยู่โรคเขามีในกายของคนไข้เขายังวิ่งหาหมอหายามมารักษา สงบและหายไปได้โรคของเรากอดทำพีอยู่แท้ๆทำไมจึงหายไปไม่ได้เพราะขี้เกียดรับยายาคืออะไรคือธรรมประโยคน์แห่งการรับยาก็ไม่เพียงไม่พอกันเดินจงกรมก็ไม่พอที่จะเห็นทุกขในการเดินนั่งสมาธิก็ไม่พอเห็นทุกข์ในการนั่งอันเป็นสัจธรรม จะภาวนาแบบไหนก็ไม่พอเห็นทุกทั้งทั้งที่ทุกกองเต็มอยู่ภายในกายในใจไม่มีเวลาบกพร่องเลยนอกจากไม่แสดงขึ้นมากน้อยตามเหตุการ์เท่านั้นแต่มันมีอยู่ภายในนี่อยู่แล้วเดินก็ฟาดจะให้มันถึงเหตุถึงผลให้มันเห็นความทุกในการเดินจงกรมเหมือนเราได้รับความทุกดนสิ่งทั้งหลายแต่ไม่เห็นโทษของมันนั้นดูสิ เดินมากเป็นอย่างไรเหนื่อยมากขนาดไหนแล้วจิตมันยอมจำนวนไหมในขณะที่เดินก็ไม่สักจะก้าวไปก้าวมาเฉยๆซึ่งเป็นเหมือนกับชาวบ้านหรือเขาเดินไปตามธรรมดาแต่ก้าวเดินด้วยความเพียรคือด้วยความมีสติบังคับบัญชาจิตมันจะเลี่นรอดออกไปไหนสติปัญญามีหน้าที่อันเดียวที่จะดูจิตเท่านั้น ไม่ต้องไปดูสิ่งอื่นถึ่งได้กลัวโลกนี้จะสูญหายไปจากตัวเองจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไม่ต้องกลัวกลัวแต่จะไม่ได้พ้นจากโลกแห่งกอ็ทุกข์ที่ไปเท่านั้นตั้งจิตลงให้แน่หนามั่นคงต่อหน้าที่การงานของตนตามหลักธรรมผคพระพุทธเจา้าดูเป็นจะเป็นยังไงจิตนี้มันจะไปเหเร่ร่อนจะผาดผลโลเทนไปไหนเหนือสติปัญญาไปได้หรอือ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 ธรมาบัรความสงอบรลุ่มเย็นและความเฉลียวฉลาด จ, จากสติปัญญาที่ไหนเพราะสติก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีเดินศักดิ์สิทธิว่าบ้าศักดิ์สว่าเดินเหมือนบ้าเขาเดินไม่มีสติสถัเราจะเอาของศักดิ์สิทธิ์วิเศษจากกิริยาแห่งความเป็นบ้าของเราได้อย่างไรเหตุผลไม่ได้เข้าไม่เข้ากันไม่ได้นี่คนจะได้ของดิบพวกนี้ต้องทําให้ดิบให้ดีมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลเพราะทําไม่ใช่ของเลวแหละ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 มันจะทุกข์ขนาดไหนทุกนั่นแหละคือสัจธรรมท่านว่าทุกขังอเดียสัจจังทุกเป็นของจริงอันประเสริฐนว่าอย่างนั้นแต่ทำไมเราจึงเห็นว่าทุกข์มันเป็นภัยต่อเราขัดแย้งธรรมะของพระเจ้าไปพิจารณาให้เห็นความจริงของทุกข์นั้นอย่างถึงใจดูทีทุกข์นั้นจะปลอมไปไหนถ้าลงได้อย่างถึงความจริงของทุกข์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 ตัวหลอกลวงจอมปล่องนี้เท่านั้นเป็นผู้ปเผชิญสารท่านยอได้สําคัญมันหมายว่านั้นเป็นทุกนี้เป็นทุกทั้งทั้งที่ทุกขณะนนั้นก็หาทางออกมาได้ยังยึดว่าเราเป็นทุกส่วนนั้นของเราเป็นทุกแขนของเราเป็นทุกขาของเราเป็นทุกแล้วก็ทุกทั้งหมดนี้เป็นเราเราก็เลยกลายเป็นทุกบวกกันเข้าไปเป็นปืนเป็นไสเพราะความโง่หรือความฉลาดคนเราให้เห็นความจริงของมันสลเราจะได้ชัดเจนขึ้นในใจของเรา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 ดิ้นรนกดแปงอยู่โดยลําพังตัวเองเที่ยวยึดนั่นยึดนี้เมื่อสติปัญญาตามทันความสําคัญมั่นหมายนี้ก็ถอนตัวเข้ามาสิ่งนั้นก็เป็นของจริงตามธรรมชาติของตนพรอหมดความสําคัญมั่นหมายเขาภายในจิตจิตก็กลายมาเป็นความจริงของตัวเองก็รู้เห็นชัดนั่นที่ว่าประกอบความเพียรให้ถึงของจริงทุกข์ถ้มาเป็นของจริงให้จริงพานใจของเราเถอะ จะเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ความเพียนก็กล้าหาญชานชัยพึ่งตัวเองได้อตตาหิอตโนนาทโถจะปรากฏขึ้นมาในขณะที่เข้าจนกรอบจนงมุมนั้นเนี่ยไม่มีใครช่วยได้นอกจากเราจะช่วยเราขณะที่ทุกขเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรเราจะช่วยตัวเองด้วยสติปัญญาพัดกันอย่างสุดกำลังความสามารถ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 อะไรเป็นคุณค่าอันดีงามของผ้าผ้าเหลืองอยู่ตลาดเต็มไปหมดชิสาล้นลใครโกลนก็ได้ยากอะไรอันนี้เป็นเพศอันหนึ่งพักให้ประกาศให้โลกให้ตัวเองได้ทราบว่าเพศนี้คือเพศไม่ท้อถอยเพศทห่ไใชัยชนะผ้ากาสะวะัสดิ์นี้ได้มาจากท่านผู้เชี่ยวชาญจะเดี๋ยวฉลาดได้ชัยชนะปราบีิเยกให้สิ้นซากไป ล, ลบล้างป่าช้า ในสามโลกธาตุนี้ให้สิ้นซากประจับใจไม่มีสิ่งใดเหลือได้ภาคกาสวัส์นี่มาพ า, าเลืองเฉย อ, อยู่ที่ไหนก็มีโกนผมโกนชี้ใครโกนเราก็ได้ยากอะไรจะโ ก, กนลงถึงหนังนันก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรถ้าไม่ทำสิ่งที่ให้เป็นประโยชน์ อะไรเป็นคุณสมบัติของพระถ้าสมาธิคือความเยอเือกเย็นของใจไม่มีหลักใจไม่มีแล้วเราจะพึ่งอะไรอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเกิดประโยชน์อะไรอยู่ต้องอยู่ด้วยความเพียรอยู่ด้วยคุณธรรมเย็นอยู่ด้วยคุณธรรมจึงไม่ร้อนคนเราถ้าไม่มีคุณธรรมทำไม่มีหลักของใจแล้วอยู่ไหนก็อยู่เถอะร้อนเป็นพื้นเป็นไฟหา ที่ยุดที่เหนี่ยวไม่ได้เลยโลกนี้รู้แล้วยังว่าเป็นไฟทั้งกองใครอยู่ที่ไหนไม่เดือดไม่ร้อนมุ่นวายมีเหรือโลกไหนเป็นโลกที่สะดวกสบายมีแต่โลกเกิดแก่เจ็บตายความมาเกิดแก่เจ็บตายเป็นของหนีแล้วเหรอนี่แหละคือโลกไฟเแต่พ อ, อย่างยิ่งก็ราคตินาโทสกกักินามหกินามันเผาอยู่ภายในจิตใจนี้ตลอดเวลาไม่ละให้แก้ที่ตรงนี้ เอาให้ปรากฏสมาธิทำจะเกิดขึ้นได้ด้วยความเพียรของนังกบวดเหล่านี้แหละไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยนี่ได้ยินแต่ชื่ออ่านมาซะจนน้าลายแฉะอ่านสําหรับตาลาท่องตาหรับตาลาสมาธิปัญญาหรือว่าแต่องสมาธิคุณสมบัติของสมาธิไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยมันได้อะไรความจําเฉยๆนั่นเอาให้ถึงความจริงคือสมาธิที่แท้จริงจงะมาเกิดที่ไหนมีอยู่ที่ไหน คุณนสสมบัติเขาจะมาที่เวลาปรากฏขึ้นมาแล้วเป็นอย่างไรให้มันเห็นในใจของตัวนี้จะไม่ต้องไปหารู่หาคำแบบงูปลาปลาหาตะคุบเงาเมื่อเห็นเจอของจริงแล้วไม่จําเป็นต้องตะคุบนั่งที่ไหนก็จริงอยู่อย่างนั้นถึงเวลาที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาก็เอาให้ถึงเหตุถึงเหตุถึงผลถึงเพลิดถึงถิงถึงความจัดความจริงที่เพราะความจัดความจริงมีอยู่ในตัวของเรานี่แล้ว ขีดมันจะดิ้นรนกรวนกวาาไปไหนเหนือความสามารถของเราได้หรือพิจารณาให้จริงสิวันไหนก็หมอบรากกับกิเลสอยู่กิเลสได้ความวิเศษวิโ์อะไรไม่เคยเห็นโทษทังตัวที่หมอบรากกับกิเลสบ้างเหรอถ้ายังไม่เคยเห็นโทษของตัวในการหมอบรากกับกิเลสว่าเป็นโทษประการใดบ้างแล้วก็ยากที่จะผ่านพ้นจากความทุกข์ความทรมานของกิเลสนี้ไปได้วิธีการทั้งหมด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 ร่างกายนี่ผลสมบัติออกให้หมดพิจารณาให้ดีทัตติปัญญาถึงการจะใช้ภาคใดเอาใช้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจะทาให้จิตสงบสงบด้วยวิธีการใดก็ให้ทําเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงการจะใช้ทางด้านปัญญาพิจารณาเรื่องทากเรื่องขันกองภูเขาภูเหล่านี้เอาให้มันแตกกระจายอันนี้ทําลายยากนะ ไอ้ภูเขาภูเรานี่ภูเขาภายนอกนั้นเขาทําทําลายมาเขาเอามาทําประโยชน์มากมายจนกระทั่งภูเขาจะไม่มีเพราะระเบิดออกแหลกแตกกระจายไปหมดเอามาทําถนนค้นทางทุกสิ่งทุกอย่างตามความต้องการไอ้ภูเขาภูเรานี่มันไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรทําลายก็ไม่แตกเกษาผมเส้นเดียวบางบางดูไม่ตลอดทั่วถึงดูไม่เห็น โลมาณนะขาทันตาตะโจรวมแล้วเป็นร่างกายเพียงตอนนี้ก็ดูไม่ทะลุจะว่าเราโง่หรือเราฉลาดในตัวเราตัวท่านมีอยู่ทุกคนนี่ดูไม่ได้เหรอถ้าติดปัญญาเอาไว้ทมไมพิจารณาที่ความจริงมีอยู่หนังบางๆท่านั้นหุ้มห่ออยู่ภายในร่างกายเศษสันปัญญาให้ใ ห, ใหญ่โตยิ่งกว่าสามโลกกระถางนี้แล้วใครเป็นผู้แบบ ความสืส่อสารปัญญแล่านี้ให้หนักภายในจิตใจถ้าไม่ใช่เราผู้ที่เข้าใจว่าตนชนะแต่กับโง่ที่สุดแ บ, บกกองทุกข์ไม่รู้สึกตัวนี่พิจารณาตรงตรงนี้อุปทาน ม, มันไม่ยึดมันจะทนได้หรือเมื่อความหลงเต็มตัวแล้วมันต้องยึดแต่สำคัญเราเฉยหาความจริงไม่ได้พิจารณาที่คลายออกดูให้ดีพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าอยู่ตรงนั้น ลราไม่ต้องว่าเราคืบไปโน้นเราก้าวหน้าเราถอยกลับพิจารณารอบภายในตัวของเรานี่คือหรือจะพิจารณาอาการใดที่เห็นว่าถนัดภายใน จ, ใจิตใจพิจารณาและจะกระจายไปหมดเพราะสิ่งเหล่านี้เหมือนกันกระแสของกิตกระแสของปัญญาจะซึมซาบไปตลอดทั่วถึงเราเห็นตามความเป็นจริงของมันโดยทั่วการหมดเป็นส่วนร่างกาย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 ซุ่มซ่อนเหมนนั้นว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นของเราไปใช่ไหมล้วนแล้วตั้งแต่จอมปลอมทั้งนั้นการพิจารณาก็เพื่อจะให้เบอร์ความจอมปลอมนี้ออกเพื่อให้เห็นความจริงตามหลักธรรมชาติของมันถ้าพูดถึงอสุภะอสุพังมันก็ตัวปาฤฤ่าช้าผีดิบภายในร่างของเราทุกๆุกกร่างนีน้ี่มีลมหายใจเท่านั้นประคองตัวเอาไว้พอไม่แสดงตัวอย่างเปิดเผยดำทิศดำคนตายเท่านั้นเองมันผิดอะไรกันนอกนั้นไม่เห็นมีอะไรผิดกันเลย พยัญชนะลงไปตรงนี้แล้วมันจะหลงที่ตรงไหนนี่คือความจริงแต่ความปลอมมันก็หลอกค่ะพี่ว่าสวยว่างามว่าเนี่ยน้ำมันคงลบล้างความจริงไปหมดนั่นคืออำนาจของกิเลสเป็นผู้ลบล้างเห็นี้ผลิธรรมขึ้นมาเพื่อลบล้างความจำมปลอมนั้นให้เห็นความจริงเต็มจัดเต็มส่วนขึ้นมาแล้วถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นซึ่งออกมาเป็นมาจากความหลงนั้นให้หมดภายในร่างกายและจิตใจของตน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 ตามจังหวะแห่งสิ่งที่มาสัมผัสนั้นแล้วดับไปตามสิ่นเหล่านั้นดับไปแล้วรวมทั้งหมดที่กล่ามานี้ท่านเรียกว่าขันห้าคือรูปได้แก่รูปกายของเราเวทนาได้แก่ความสุขความทุกข์เฉยๆเอาพูดถึงเวทนาทางร่างกายนี้ไปก่อนสัญญาความจําด้านหมายรู้สังขารความคิดความตุ่มดีชั่วต่างๆแล้วดับไปดับไปเช่นเดียวกันหมดอะไรเป็นเราอะไรเป็นของเรา แต่ ป, ปักปันเอาทำไหมไม่ใช่ความจริงฝืนความจริงไปทำไมพิจนาให้เห็นชัดด้วยปัญญาเเมื่อจิตเมื่อปัญญาได้ตีตะล่ำเข้าไปโดยลำดับลาดับแล้วย่อมจะหดตัวเข้าไปกายก็ปล่อยจากอุปทานพระรู้รอบหมดแล้วเวทนาทางกายก็เป็นอันว่ารู้รอบไปตามๆกัน สัญญาที่เป็นกระแสมาจากจิตสังขารวิย่ญญางเป็นกระแสมาจากจิตก็เป็นกระแสของกิตอาการของจิตไม่ใช่จิตสติปัญญาก็รู้ก็ตามทันเมื่อได้ถูกปัญป ญ, ญาตีตะล่มเข้าไปนี่แหละซึ่งเคยออกหากินตามทางรูปเวทนาสัญญาสังขารและทางตาหูจมูกจี๋กาย ม, มันก็ตัดสะพานกัน หดตัวเข้าไปหดตัวเข้าไปนีป่การแก้ทิเ่เลสการพิจารณาการฆ่าหรือการลบล้างความจำลองด้วยหลักธรรมคือความกรินพิจารณาอย่างนี้จนกระตั่งถึงกิเละหาทางออกไม่ได้ถูกตัดสพานสมุนของกิรเลสคืออาการต่างๆทางเดินของกิรเลสอาการของกิจที่แสดงออกมาเพื่อเป็นทีนเรเละก็ถูกตัดเข้าไปโดยลำดับ จนกระทั่งถึงจิตเมื่อปล่อยแล้วต้องเป็นอย่างนั้นหดตัวเข้าไปหดตัวเข้าไปเมื่อเข่าถึงจิตนั่นแหละที่โรคเรื้อรังไม่มีที่กระจายตัดสะพานทั้งหมดแล้วเหลืออยู่ภายในจิตเท่านั้นสติปัญญาอันเป็นโอสถอย่างเอกก็ฟาดฟันนันแหนกันเข้าไปจนแตกกระจายโรคเรื้อรังที่วัด เป็นเหมือนจิตจิตเป็นเหมือนกับโรคกันนั้นที่นี้กระจายกันออกไปแล้วจนกระทั่งไม่มีเหลือโรคเรือรังไม่มีเหลือแล้วเหลือเิีงที่เหลือคืออะไรก็คือความบริสุทธินั่นนัตถิ น, นีโรคเรื้อรังหมดความมาเกิดแต่เจ็บตายซึ่งเป็นไปจากโรคเรื้อรังนี้หมด แต่ความรู้ที่บริสุทธิ์นั้นไม่ปรากฏว่าหมดไปด้วยขที่นี่อิสระอิสรเต็มที่ภาระที่เคยแบกหามมาโดยการตรอบความเพียรหนักเบามากน้อยคุ้มค่าหมดตังมนตั้งแต่ขณะโรคเรือรังคือวิชาได้ทลายลงไปจากจิตใจเท่านั้นยูไหนอยู่ไปเถอะ ท่านว่าบุษิตังพระมาจารียังเสร็จกิจในพุทธศาสนาก็คือหรือว่าพระอาจารย์ได้อยู่จบแล้วท่านหลังก็คือเสร็จงานปราบกี่เลยอุนง่า ย, ายเสร็จงานปราบเชื้อแห่งพพแห่งชาติซึ่งมีอยู่ภัยในใจเรียบร้อยแล้วเป็นอันว่าหมดภาระไม่มีอะไรแล่ะที่นีโลกทั้งสามโลกธาตุนี้ เราไปสําคัญบรรหมายตัางหากว่าอันนั้นมีอันนี้มีอันนั้นเป็นอย่างนั้นนี้นเป็นอย่างนี้ออกปจะกาิปตูงเดียวซึ่งเป็นผู้ไปสําคัญบรรหมายด้วยความรุ่งหลวงของตอนนั้นแหละเมื่อความสําคัญบรรนหมายเมื่อความลุ่งหลวงนี้ได้หมดไปจากาิปแล้วจะว่าโลกกระแทนี้มีหรือไม่มีก็ได้ทั้งนั้นเพราะผู้นี้ไม่ไปยุ่งผู้นี้ไม่ไปติดผู้นี้ไม่ไปพัวพันธผู้นี้รู้รอบขอบคิดหมดแล้วกลายเป็นธรรมชาติที่เหนือโลก ทั้งสามนี่ไปแล้วทั้งๆที่ก็อยู่ในท่ามกลางแห่งโลกทั้งสามนี่เลยหักเนือ้อเพราะไม่ติดไม่พันกับสิ่งเหล่านั้น อ, อะไรจะมาเป็นภัยต่อกิต้าเป็นภัยต่อเราก็มีแต่กิเลสอย่างเดียวนี้เท่านั้นเป็นภัยต่อจิตเมื่อได้ปราบสิ่งที่เป็นภายนี้ให้หมดสิ้นซากไปจากใจแล้วอะไรจะมาเป็นภัยอีกไม่มีแล้วมันมีตลอดอนันตการด้วยปาการลึก อาการิโกอาการิกรกิจอาการิ ก, าการรมก็ได้จิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่แหละขอให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่ากลัวกลัวความทุกข์ความยากความลำบากประกาศการประกาศความภาคเพีย่ยนไอ้ทุกนี้เคยเราเคยแบกบเคยหามมาแล้วทุกที่กีดกักติดขึ้นมานี้วิบาก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 เรียนวิชาเพื่อวิมุตหลุดพ้นจากความทุกข์เรียนที่ตรงนี้ที่จิตนี้เอาให้จริงจังยาล้อแหละใค้แล้วแหละหาหลักไม่ได้เวลาปฏิบัติทางด้านจิตตับภาวนาก็หาหลักไม่ได้นิสัยไม่จริงจังทำอะไรละละแหละเหมือนหลักปักขี้ควายพอจะล้มดังนั้นใช้ไม่ได้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 ไม่ต้องบอกให้ปล่อยเด่ะปล่อยเองไม่เคยรู้ก็รู้เองอันนี้เป็นจุดสาคัญของกีเดีดส่วนใหญ่มันซุ่มซ่อนอยู่ที่ตรงนี้แล้วลูกหลานของมันก็อยู่นี้หมดทั้งมหากษัตริย์ ศ, า ศ, าศาัตรจักรของมันก็อยู่ที่นี่ยิงต้องได้ทําลายนี้เข้าไปทําลายเข้าไปโดยลําดับเจ้าก็ทึ่งถึงอุโมงค์ของมันได้แจกิบมันอยู่ที่นั่นแล้วก็ทําลายที่นั่นแล้วแล้วจะทําทลายที่ไหนอีกทีนี้หมด เมื่อกษัตริย์วัตจักรอยู่ภายในจิตหมดสิ้นไปแล้วหมดทุกนิโรธ โ, โหติทุกกระดับเพราะเชื่อมันดับสาเหตุมันดับจะอะไรมาทุกเรื่องร่างกายก็เป็นธรรมดาของมันนะี่เป็นนิบากมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีมีเจ็ดหัวปวดท้องหิวกระหายเป็นธรรมดาของมัน แต่จิตไม่ได้มาแบกมันมาเป็นทุกขเวทนากรรมานเพราะจิตนั้นเป็นอิทธิพลแล้วจากขันต่างห้าอันเป็นเรื่องของส ม, มุดนี้จิตนั้นเป็นยมุดแล้วเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงไม่มีเวทนาภายในจิตมีแต่เวทนาภายในกายเพียงเท่านั้นเวทนาภายในจิตของท่านไม่มีตั้งแต่ขณะท่านบรรลุธรรมถึง ส, สุดยอดแล้วเป็นหลักธรรมชาติของกิตเองเวทนาใดไม่เข้าไปแทรกเวทนานิจจานะวาไงไหนจิตทบริสุทธ์อ น, นิจจังตุกขานาตาได้เมื่อไหร่ผ่านไปหมดทั้งอ น, นิจจังทั้งตุกขานาตาไม่อยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นคําว่าเวทนาแม้จะละเอียดขนาดไหนก็ไม่มีใรจิตโบราณปรามังสุขขังนั้นไม่ใช่สุขเวทนา เป็นหลักธรรมชาติทของกิจที่บุรุทธิธ์ได้ลนล้วนต่างหาจึงไม่มีอนิจจัทุกขังเขามาตาเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปอาจเติมได้เ อ, นนอาสิพิจารณาเลยทางวิจ้าณนี้สดสร้อนร้อนอยู่กับหัวใจของเรายาเข้าใจวิญญาณริญญาภนไปนานแล้วทําหมดเสร็จหมดสมัยไปแล้วนั่นคือเพลงอันไพเราะเพราะพิงพงพงพ้งของกิเลสมันกรอมสัตว์ผู้โงูเข่าต่างหา่าอืม มาชิมาปฏิบัตธเหมาะสมในตลอดเวลากับจะปราบเคร่งนั้ น, นะอยู่กับใจของเราตั้งว่านอยู่นี้ตลอดเวลารังที่พระพุทธเจ้ารับสั่งกับพระอนอนว่าทำาล้วินัยนั่นแหละจะเป็นครูเป็นเป็นศาสดาแทนเธอทั้งหลายเมื่อถึงการห่งเราได้ล่วงไปแล้วสดสดท่านร้อนสวาครธรรมนี้ร้อนๆอนสดสดชัดเจนแจางแจ้งนันตลอดเวลาพระเจ้านิพพานไปไหน เรื่องธาตุฐานสลายตัวลงไปต่างหากพุทธะนั้นมีการมีสมัยมีสถานที่ที่ตรงไหนอืการนั้นสถานที่นี้เป็นเรื่องสมบูรณ์โยมส่วนมากของขีดเด็ดมันฝังจมอยู่ในนั้นเราก็ไม่รู้สึกตัวเสียพระพุทเจ้านิพพานนานแล้วธรร ม, มะหมดเห็ดหมดสมัยแล้วปฏิบัติภาษก็ไม่ได้ผู้เช่นนั้นคือผู้ไม่ปฏิบัติอืาเราผู้ปฏิบัติอย่าไปเอาคนโง่งมาเป็นครูสิเอาศาสนาที่มาเป็นครูพุทธังคมบางสถานกระฉามนี่เป็นครูของเรา แต่พอเคนไม่สนใจกับธรรมะธรรมโ ม, มไม่สนใจกับอาัตถธรรมหรือมาหลอกโลกนั้นมาเป็นชนะย่างไงได้ยังไงอือะเป็นคนนี้นท่านปัญญาอธิบายเพื่อนที่อธิบายสมาสวันนี้เข้าใจว่าทางเข้าใจเนื้อความเที่อธิบายไปไหมแล้วเหล่านั้นอ่ะอเหล่านั้นอ่ะไม่ใช่เหล่านี้มาเข้าใจเข้าใจอะไรคนเดียวนี่เหล่านั้นน่ะ ผมว่างั้นสินี่เรานั้นท่านี้เข้าใจเรานั้นท่านี้ยังเข้าใจอยู่มันก็เรานี้นี่ไม่ใช่เห่านั้นคนเก่านี่ท่านี้พูดนะัาจะพลาดอยู่นั่นนะี่นะไปหาวันนี้ก็ได้ดุพูดไม่มีสถานีจบตะเิดเปิดเปิงดูเจ็ตเจ้าของสิมันเลื่อนลอยนะ่ะ คนไม่มีกฎมีเกณฑ์ไม่มีหลักสติไม่มีก็เป็นงั้นนั่นสิคนที่เป็นบ้าคือคนไม่มีสติรู้ไหมกิจมันมีแต่สติไม่มีผู้รับผิดชอบไม่มีคนยังเป็นบ้าเดินเป็นเพ่นบ้านเดินเดินบันไดตามถนนทางน่าสลดสังเวทนั่นไม่ใช่เขาเขาไม่มีกิจเหลือเขามีจิจความรู้มีแต่ว่ามี ความรน้ึกรู้ว่าผิดหรือถูกดีชั่วประกรันใดเท่านั้นเขาจึงเป็นอยู่ตามสภาพของเขานั่นแหละจิต ท, ที่มีแต่จิตไม่มีเจ้าของแต่มไม่แค่มีแต่จิตที่ว่าจิตบริสุทธิ์นะมีแต่จิตบ้าว่างั้นเลยถูกฉันจึงให้ฝึกให้สติมีปัญญามอ รอบตัวเคลื่อนไหวอะไรผู้ตามนักสาวมันเป็นนักมันไปโดยลำดับดับมีความเอียดละอลอเท่าไหร่สติปัญญาแก่กล้าเท่าไหร่มันยิ่งเร็วอ่าจิตก็เพื่อพนพร้ก็เป็นอันว่าถูกสติปัญญาไปพร้อมเพราะสติปัญญาจ้องอยู่แล้วนั่นที่ท่านว่ามหาสติมหาปัญญาหมายถึงอะไรก็หมายถึงอัตโนมัตินัไม่ต้องไปเตรียมไปพร้อมไปม็นอย่างนั้นมหาสติมหาปัญญา ถึงขั้นเกลียงไก่แล้วเป็นได้อย่างนั้นนะที่ใ้ท่านทั้งหลายจํำมานะคําพูดอย่างนี้เน้อปฏิบัติไปดูจะเป็ น, ย, ใ น, ในยังไงยัยินได้เ่มเขียนเห็นได้เพิ่มเขียนไม่ในตัวตั้งตำหนักตำลามหาสติมหาปัญญาหลักธรรมาชาติอันแท้จริงของมาสู่ปัญญานั้นจะปรากฏที่ตรงไหนอยู่ในตําราก็เป็นหนังสือตัวหนังสือนั่นไม่ใช่สติไม่ใช่ปัญญาแท้จริงที่นั่นเป็นชื่อของสติ ชื่อของปัญญาชื่อมารติทขิมของมหาปัญญาชื่อของมะผลิพาน น, าน่องค์ของมะผลิพานแท้องคของเจติปัญญาแท้จะอยู่ที่จิตเกิดขึ้นที่จิตผู้นี้เป็นผู้เป็นผู้จะเป็นเช่นนั้นแต่เวลานี้ยังเป็นไม่ได้มันกําลังเป็นผู้ต้องหาถูกกักถูกขังถูกทรมานทุกข์ไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนอยน่อนอนเรายังไม่รู้ยเลยว่า เราเป็นนักโทษเรนจะมาภูมิใจว่าเป็นพระเป็นพระยิบแยม้แยมแจ่มใสด้วยความรืม่นเริงบันเทิงกับกิเลสมันตีแล้วผาก็เป่งแต่งอยั ง, งนี้นไม่รู้เลือเดเยิ้มมายัางอ๋อเรามีเครื่องประดับนะ่ประดับเลือดตีเลือดสาดองมาเลียนไม้กิเลสดูสิเรียนนั้มันทันมันเลยมันจะได้รู้เรื่องมัน นั้นจะมาตายกองกันนี้นหะมไม่ใช่ปลาพอที่จะตายกองกันในหม้อวะ่ะถ่าทั้งองค์โอโ้เวลามันอำนาจมากเชลเลนจ่เลตมันเคยเป็นมา ด, ด้วยการกบแบกจิเลตอยู่ทั้งคนทั้งคนทาไมจะไม่รู้เป็นมายังไงหยุดฝนหยุลลมทีแรกนะครับไม่รุ้นหะน้ารุ่นหลังลง้มลุกคุกคาน แต่ก็เพราะความทนทานเพราะความอุตสาห์พยายามเบึกบืนิอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมันก็ค่อยคืบคลานขึ้นมาได้เป็น ม, ม้วนลวผมอคือมันมันฉุดมันลากเราไปต่อหน้าต่อตายเนี่ยคือกําลังเราไม่พอทั้งทั้งบางทีสติเราก็มีแต่กําลังไม่พอมันมันลากออกไปทั้งสติปัญญาไปต้ยมยำแหลกหมดสติปัญญาไปการเป็นอาหารของมันได้ แต่พอสติมีปัญญา ม, มีกําลังพอลากคพรมาต้มยําว่างอืต้มยำกิเลสกิจจนแล้วมันอร่อยเลยทำไมกิเลสกินเรามันอร่อยนะักต้มยําเรามันอร่อยนะัะอะไรต้มยำํำกิเลสให้มันอร่อยบ้างไม่ได้หรือะเอาพี่อะไรจะอร่อยยิ่งกว่าการต้มยำํำกิเลสวะอกิเลสมันต้มยําเรามากี่ขับกี่กันแล้วมันอร่อยเลยนนื่ อ, อยมาทีนี้เอาให้ต้มยํำกิเลสมุงเลย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 เหมือนกองขัวเอาขัวเอาอาหารมากองทเทินไว้ในกิเลสมันต้มยำออกมันหั่นหัวหอมกระเทียมยังเพลยังหลับยุคราบคราบอย่า ง, ง, งนั้นหั่นหอมหั่นกระเทียมโขลกพริกถังก๊กก๊กกยังฟังเพลินอยนู่นั้น ลอียดไหมกิเลสหลอกหลอกคนหลอกขนัาดหลอกไปทุกขั้นนะอขั้นนี้ผ่านขันนี้ไปได้แล้วคั้นนั้นหลอกหลอกไปจนสุดขีดของี่เลสละเอียดเท่าไรยิ่งหลอกละเอียดโอ้หน้าทุเลศมี่นาแล้วไม่มีอะไรเกิดแล้วการแก้ก็เหมือนกันงานใดมีงาน ที่หนักมากยิ่งกว่างานแก้กิเลสปราบกิเลสเดียวทุ่มลงถึงเป็นถึงตายบางครั้งเป็นอย่างนั้นจริงเอาตาเขาตายเอาไม่ตายให้ดูมีเท่านั้นฟาดกันหนึ่งขนาดนั้นแล้วขนาด น, น, นั้นกิเลสมยังมากรมเอือมันบางทีทุกข์มากๆลาบากลําบนเราเหมือนเศษมนุษย์เนี่ยมันไม่ตกขึ้นมานะ เหมือนเสมนุษย์โลกเขาอยู่ด้วยความพาสุกสบายเรามาฝุผฝนทรมารก้าวขาวเขาจะไมาได้คอยจะหงอจะล้มเพราะเขามมนมีกําลังบางชาความทุกข์ความลําบากคนในโลกนี้มีคนไม่มีค่าคือเราคนเดียวคือเล่นมาทุกชดอันทุกทกรมารอย่างนี้คนกำหนาหนักมันจะทําให้ท้อถอยนั่นนะนั่นหนักกิเลสมันก่อบเข้าไปแล้วนั่นั้นไม่นานมันคลิกกลับปุ๊บเลย พระพุทธเจ้าท่านสลบถึงสามขนน่ะท่านเป็นคนหยาบหรือคนละเอียดหรือเป็นคนประเภทไหนได้เป็นศาสดาเพราะอะไรพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเพราะอะไรพะนอนเป็นหมูขึ้นเขียง น, นั่นเหรอเราต้องการเป็นหมูไปขึ้นเขียงหรือเวลานี้นานมันแก่จะกล่องถ้ามันต้องการเป็นหมูขึเียงอาตาก็ตายสีตายตามทางเสด็จของพระพุทธเจ้าตายตามพระพุทธเจ้าอ้าวตายนานมันพลิกอ่ะนี้มันก็คึกขึ้นมาจริง นันหลักเพ็ิงี่เลสนั่นะ น, นะที่มันหลอกมันจะเล่นนะมันเป็นผมอะมันไม่ลืมถ้ามันขึ้นก่อนขึ้นมาอย่างนั้นนะมันไม่ลืมครังหนึ่งก็นั่งภาวนาวันนั้นนั่งตลอดลุ่มประมาณเราประมาณเฉยแหละเพราะมันนานแต่นานที่ฟัดกับี่เดลสอยู่นั้นกับความพุ่งสรางวุ่นวายที่มันไม่ลงตามจุดที่เราต้องการให้วันนั้นรู้สึกจะเป็นวันที่ทรมานมากที่สุดนั่งแต่หัวค่าจนกระทั่ง มันประมาณจะไปหนึ่งนะอย่างวันก็าแตบบ่ทุ่งนี่เขาขับลําทําเพลงผ่านไปข้างวัดเขาอยู่บ้านนั่นเขามาเที่ยวทั้งบ้านนี่เขาขับรำทาเพลงกันข้างบัดแต่ไม่ใช่ใกล้ๆนะไกลๆนะั่นแต่เราได้ยนนินเขาก็ยังมีความสนุกสนานรื่นเริไม่แ บ, บกกอมพุกอยู่เหมือนเราเราเนี่ยังจมถูกนี่กําลังแสนสาหัส มันมันได้จะของมันจะทําให้อ่อนนั่นนะ่ะอ๋อไอเรื่องเหล่านี้เราก็เคยเป็นมาแล้วมใช่หรือเราวิเศษอะไรบ้างเนี่ยมันแก่ถ้าวิเศษก็ไม่ควรจะได้มานั่งจงกงพวงนี้ก็ควรพิเศษไปนานแล้วนี่นะสิ่งเหล่านี้นเราเคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นเหมือนเขาเนี่ยอื ท, ทําไมจีนพระอาจารย์กับสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไม่ต้องการเป็นหนอนนันะเอาสิฟัดลงไปสิยังไ ม, มันจะวิเศษแล้ว่าหาความพิเศษ จะทำต่างหาแล้วไม่หาความวิเศษจากสิ่งนั้นทําไมที่ต้องไปเห็นวิสิณนั้นเป็นของวิเศษนะ่ะมันก็เพิ่บปุ๊บถ้าอุบาสัญญาไม่ทันไม่ได้นะมันหักกล่อมขึ้นมาแง่กล่อมขึ้นมาแง่น่ ย, นยงง่ายที่สุดเรื่อนี้เป็นทิเด็ดทั้งนั้นไม่จําเป็นจะต้องไปเียนในตาราหรอกนะมันอยู่ในหัวใจนั้นนะ่ะอืเพราะงั้นเวลาเราต้องการเราคุณที่ผ่านทําไมยิ่งไปหัวจอยในตำรา เอาความรู้มาจากตำราแล้วก็มาฟัดกับที่เหลยอยู่ภายในนี่สิยิเหลยอยู่ภายในนี่ต่างหากสมาธิเข้มาที่ตรงนี้เข้ามาที่หัวใจนี่ยิ่งเหลยก็อยู่ที่นี่มรรคผลที่ผ่านอยู่ที่นี่ที่เข้ามาที่นี่ปัญญาท่านตําราท่านที่เข้ามาที่นี่เราไปหลงงมเงาที่ไหนกันล่ะมันกล่องอย่างนั้นนะไปถึงขั้นอ้อยอันยิ่งอ้อยอินนะ เพิ่หลับเลยหับหลับทั้งที่มีสติอยู่นั่นแหละหลับหลับทั้งที่มีปัญญาอยู่นั่นแหละมันไม่ใช่มันเอาสติปัญญาเป็นดอกไม้ถูกเกียนบูชาขี้เียกตัวอ้อยอิงนัางเดียเรียกไม่รู้ตัวเห็นไหมมันละเอียดขนาดไหนขี้เล็กมีอะขั้นขี้เล็ขั้นที่ละเอียดมันก็ละเอียดขนาดนั้นนะมันเอาอย่างอ้อยอิงก็นะ ขันผาดโผนก็เป็นอย่างหนึ่งพั้นยำยากพวกเรายัางไม่รู้มันเรือว่คิดดูที่ขันละเอียดเป็นยังไงต่างกันยังไงบ้างเรานี้เป็นบริษัทบริวารลูกลเจ้าหลานเด่นของกิเลสต่างหาอืมประชากรของกิเลสต่างหาของกรรรษัตริย์รัชจักรต่างหาตัวกรรรรษัตริย์รัชจักรนี้จิงแหลมคมขนาดไหนไม่แค่นั้นจะได้เป็นจอมกรรรษัตริย์ของรัชจัก ร, รเหลอเพียงบริษัทบริวารเขาผ่านมาตอนนั้นเราก็ลบมานาันเอาไปแล้ว เขาจะไปสู้กับกษัตริย์เขาได้เอาที่ฟาดมันไปตั้งแต่ลูกเจ้าล้านเหรียญของจเจเล่งนะครับมันถึงจอมกษัตริย์ฟาดกันลงบัลลังค์คือจิตตบัลลังค์ตกบัลลังค์แล้วทมโมปดีโปก็ขึ้นคลองใจกัน <c oughs> หมดปัญหาไปเองหัดกิ ปัญหาทั้งมวลที่มันเป็นอยู่ภายในจิตเพราะจิตเป็นเจ้าปัญหาเจ้าปัญหาก็มาจากตัวนั้นแหละพอค่าตัวนั้นตายแล้วปัญหามาจากไหนไม่มีโลกว่ามีก็มีว่าไม่มีก็ก็ไม่มีเพราะผู้นี้ไม่ไปหมายลุยโดยลําพังเจ้าของแล้วมันก็เหมือนโลกไม่มีทะยับตกไปว่านั่นมีอันนี้มีเนี่มีกับความยึดถือมันไปโดยกันนั้นเป็นอย่างหนึ่งมีเฉยไม่ยึดเป็นอย่างหนึ่ง นี่ถ้าเรามีก็รู้ว่ามี เ, มมเมมสีย้ยถ้ามีม <az> ะอะไรก็น่าก็มีเสี้ยถ้ามีก็มันก็มีตัวความรู้ที่เสี้ยมันก็เหมือนไม่มีแล้วเราจะมายุ่งกจะขอไม่ควรตัวเองจะขอไม่ยุ่งตัวเองมันมีอะไรยุ่งแหละลู้ก็ลูกเสียงกระเสี้ยมกินกระเสี้ยแล้วเขมีมาสั้งกับตั้งกันเขเป็นอะไรกับไผ่ไปหาว่าเขาว่าเป็นไผยอะไรเนี่ยถึงขั้นที่ที่มันจะมีตัวเองมารู้เรื่องตัวเองมันก็มันก็รู้ได้ว่าเขาไม่ได้เป็นไผ่เราเป็นบ้าต่างหากนี่ย แต่ถึงขั้นที่ควรจะตําหนิกันฟาดกันเต็มเหอยู่ในขะนั้นเอานี่นั mm. ้นเป็นหลายท่านในนาถึงขั้นที่จะจับแอบจับไถคลาดไล่ไถนาก็เอาถึงขั้นที่ลงตักลงตําก็เอาถึงขั้นที่ห ง, งต้มก็หงถึงขัง้นที่มารับทานก็รับทา น, ทานเนี่ยถึงขั้นที่นอนมือไกนะ่นับผากสบายเลยก็เอายี่มันเป็นกันขั้นมันกว่าผ้าพี่บทชผ้าบนใหม่มันจะข้องแก่นห่ะเป็นไง เข้าใจหรือเกิวันนี้อ่าตั้งใจคุยปฏิบัตินะให้จิตมีความสงบเย็นอย่างน้อยให้เห็นสักครั้งสองครั้งกันยังดีนี่มาบวชต้องเพียนเยังไงท่านสอนปยังไงศาสนาเป็นยัง ไ, ไงรู้เลื่องรึมั้งศาสนายอยู่ที่ไหนอะไรที่นีเลือกกันหมด น, นะมีเท่านั้น